ก่อนวันสักการณขครับหลวงตาก็เท่าที่ได้เรียนกับหลวงตามาตลอดนะฮะคือผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับหลวงตาแต่ว่ามันยังมีติดอยู่นิดนึงว่า เราก็ฟังมาตลอดนะครับสิ่งที่ฟังในแท็กหลงตาว่าตัวที่รู้เนี่ยมันก็แค่รู้สิ่งที่ถูกรู้มันก็แค่เป็นสังขารคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นดับไปมันก็มีแต่สังขารผมก็ใช้หลักเหมาเข่งว่ารวมไปหมดเลยว่าอะไรที่มันโผล่ขึ้นมามันก็เป็นกระสังขารแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่ว่าอะไรแล้วก็มันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังเหมือนกับมันมีนิดนึงก็คือว่า บางทีมันมันไม่ถึงนะครับหลวงตาคือหรือว่าผมไปตั้งเป้าหมายว่ารู้จริงๆมันจะต้องเป็นอย่างนี้รู้ไม่จริงมันคืออย่างนี้แล้วมีการแยกกันคือมันยังมีอยู่บางอย่างว่ามันยังมีความเป็นตัวเราอยู่ในความรู้ทั้งทั้ ง, ท, งที่เราเข้าใจว่าไอ้รู้เนี่ยมันไม่ไม่มีเราแต่พอไปถึงขั้นปฏิบัติจริงๆที่เรารู้จริงๆเนี่ยมันยังมีแอบสอดแทรกตัวเราอยู่ในนั้น ก็ยังไม่ไม่ถึงกับว่ารู้ที่มันไม่มีตัวเราจริงๆหรือว่ามันเป็นแต่ละขนาดอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับคุณตาคือคือมันเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีเราเข้าใจหมดครับคุณตแต่ว่าในในขณะจิตบางขณะจิตมันก็ยังมีตัวเองไปไปรับอยู่อะครับคือมันยังไม่ได้ไม่ได้หมดจากจากความที่มันไม่มีตัวเราอาจจะคล้ายๆกับคุณมุยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับคุณตาก็ขอก็ขอกราบเรียนคุงตา ตรงนีอ fate, pues, mm ้อาจจะหมายอาจจะมีความหมายอยู่บางอย่างว่ามันต้องอย่างนี้นะมันไม่ต nah ้องอย่างนีここ้หรือเปล่าที่ตัวเองคิดว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดในการรู้อย่างหนึ่งครับคุณตาก็ในเนี่ยที่อาจารถามเองตอบเองอ่ะเป็นข้อผิดพาดจริงๆอ่ะแะก็คืออะไรนะคือคือมันก็ยังคือเรารู้ว่าเราหมายจะมันก็ยังมันก็ยังมันก็ยังมาจะหาเองใช่ไหมครับแต่คือคือมันมันมันมันปรับมันแก้ไม่ได้ก็คือหมายคําว่า ผมก็รู้ไปว่าผมมันแก้ไม่ได้ก็แค่รู้ว่ามันแก้ไม่ได้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน <S <S แต่มันก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นไปจนกว่ามันจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทําอะไรใช่ไหมครับคือคือไม่รู้พูดถูกไหมครับก็คือว่าเราก็รู้ว่ามันเราเราก็รู้ของเราเองว่าเราติดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะพลิกให้ทีเดียวแล้วก็ไม่ติดแล้วนะอเอเลิกเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องติดตเหมือนเครื่องอะครับติดติดแบบดับติดแดับไปเรื่อยๆรื่อจนกว่ามันมันจะเข้าใจทั้งหมดมันมันเป็นอย่างนั้นถูกต้องเลยครับ เพามันจะติดหรือไม่ติดก็ช่างมันช่างมันช่างแม่งช่างมันแน่ๆนะเว้ยแต่มันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกับแบบว่าอายุนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือมันก็เดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นธรรมชาติมันหยิบขึ้นมาใหม่ก็ช่างมันเองโอเคเขาก็ช่างหยิบขึ้นมาใหม่ก็ช่างมันไหมครับอาจารย์ครับผมค่อยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบคือคนรักดีนะครับคือมันเคยเออมันสงวนความไม่มีอะไรมันอยากจะได้ความไม่มีอะไรพอมันมีอะไรขึ้นมามันก็ พยายามไปแสวงหาความไม่มีอะไรก็เหมือนกับว่าคือเหมือนมันยังดิ้นนะครับดวงตามันยังไม่ยอมหยุดทั้งทางที่เจ้าตัวเองก็รู้ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยดิ้นแต่มันก็ก็ลวงตาบอกว่าไม่ไม่ให้ไปแทรกแซงมันทำไงก็ช่างมันแต่มันก็ยังมีความไม่ลงรอยว่าเออมันช่างมันแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ยังมีความไม่ยอมมันนะครับไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่ยอมว่าจะให้มันช่างมัน แต่ว่าก็คือก็คือถ้ารู้ว่าทุกอย่างก็จะก็ชโยนิโสว่าเออก็ช่างช่างมันไปเรื่อยๆครับแต่คิดว่าคงยังไม่ต้องฝึกไปเรื่อยๆน่าจะถูกใช่ไหมครับหลวงตาไม่ถูกไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าท่านบอกว่าช่างมันแล้วช่างมันมันต้องช่างมันเรื่อยจนกว่ามันจะลงรอยกับช่างมันคือมันจะยอมตามใจมันจะยอมตามที่ช่างมันโอ้ถูกใจมันจะยอมตามหรือไม่ยอมตามกับช่างมัน โอ้ครับมันจะยอมตามหรือไม่ยอมตามก็ช่างมันมันจะยังไงก็ช่างมันใช่ไม่มันไม่ต้องทำอะไรก็ช่างมันใช่ไหมใช่มันจะทำอะไรก็ช่างมันเออแล้ก็ ก็ได้ครับบาั้ก็ได้เดี๋ยวก็ได้มันไม่ค่อยยอมพร้อมใจเลยมันมันยอมแบบยอมไม่ไม่ร้อยครับมันยอมแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นมันก็ยังมีส่วนหนึ่งไว้มันต้องทำซะหน่อยอะไรเงี้ยครับมันมันไม่ช่างร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ช่างหมายอะไรหมายอะไรไว้ในใจว่าถ้ามันใช่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันจะเป็นยังไงหมายอะไรไว้ไอ้ที่หมายไว้นั่นแหะคือยึดถือไอ้ที่หมายไว้นั่นคือยึดถือเอาวิชาตัวใหญ่เลยครับ หมายอะไรไว้ใช่ไหมครับเนี่ยที่ทัทนเราก็จำไม่ได้ว่าที่ท่านกล่าวกับผูบ้ใดคนกล่าวแล้วกล่าวท่านในที่บอกว่าเธอจงหักธงของเธอเสียครับ <c oughs> ในประไตรปิดกเธอจงหักธงที่เธอหมายไว้เสีย <c oughs> หมอหมายอะไรไว้ในแหนะอันนั้นแหน่คืออวิชาตัวใหญ่ไม่มีนะมีแต่ปัจจุบันอ <c oughs> หมายอนาคตเลอนาคตเป็นทำเมาหมายในอนาคตเป็นทำเมาหมายว่าอนาคตก็อย่างนั้นอยงนี้อย่างนี้อยางั้นอดีตเป็นทำเมาธรรมะมีแต่ปัจจุบันที่ปล่อยวางครับไม่มีอนาคตข้างหน้าว <c oughs> <t sits> ่าจะต้องมีอะไรไปเป็นอะไรถูกต้องครับก็ก็ง่ายนะมันมันก็โอเคทำไมก็บอกว่าง่ายแล้วทำไมไปทํำยาก มันทําเองครับดวงตาะคือมันมันทําของมันเองครับคือก็มันทํามันเองก็จ่างมันดิมันอาจจะเคยชินแบบนี้มั้งครับมันเคยทาคนมันจะทําไงก็จ้างมันเนี่ยก็ดูดูไปครับดวงตายังไงก็ช่างมันไม่ไม่ทําอะไรก็ได้ครับดวงตา ถ้าเวางหมดเลยทําไมวางหมดแล้วทำไมเพราะว่ามันหมดไปเลยค อ, อยวางมันหมดทําไมไปต้องกลัวกังวลว่ามันยังทําความเข้าใจไม่หมดจะต้องพยายามทําความเข้าใจอยู่ล่ะไม่ไม่วางมันได้หมดเลยในปัจจุบันเนี่ยวางก็วางหมดในปัจจุบันะทำไมต้องไปกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะมีรือยังยังไม่รู้อีกมันมันคาใจอะไรเงี้ย มันก็วางความข่าใจนั่นไปให้หมดเพราะความไม่พ้นทุกข์ก็คือความข่าใจนี่แหละแต่เราเนี่ยจะต้องไปเอาจุดไปเอาตอนจบมันให้ได้ก็ไม่ก็ไม่ดีหมายว่าเราก็ไม่ต้องไปผมก็เข้าใจว่าจะไปคาดหวังในอนาคตคือเราไม่ไม่ทันสังเกตตรงจุดที่เราเราไปวาดอนาคตไปมีธงอย่างที่ดงตาบอกแล้วแล้วธงมันผุดมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราตัวเองไม่รู้ ว่ามันมีธงเกิดขึ้นที่ถ้าหลวงตาไม่บอกว่ามันมีธงเราก็ยังคิดว่ามันมันจะต้องมีข้างหน้าคือเหมือนมันมันไม่เฉลียวที่จะไปมองอย่างนั้นนะครับมันไม่มันไม่ฉลาดพอที่จะเห็นว่าเอ้ยตัวเราไปสร้างธงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อครับคือคงจะไปธงมันกลายเป็นภาพที่ทําให้เรา ยังต้องเดินนะครับถ้าไม่มีธงก็คงไม่ต้องเดินแต่ไม่รู้ว่ามันไปเกิดธงตั้งแต่เมื่อไหร่คือคือไม่รู้ว่าธงนี้มันมันมันมันโผล่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวเองไม่ไม่เห็นครับก็เจ้ามาเนื้อครับมันผ่านไปแล้วครับมันผ่านไปแล้วครับบมอพยายามจะพยายามทำความเข้าใจข้างในจิตพยายามทําขาพยายามจะพยายามทำความเข้าใจในจิตเอาพยายามทำความเข้าใจในจิต เพื่ออะไรอ่ะทำความพยายามทําความเข้าใจในจิตคือเหมือนมันไม่อยู่จริงตอนที่เขายังทำอยู่มันเป็นมเป็นเพื่ออะไรเหตุใดจึงพยายามทําความเข้าใจในจิตอแต่ย่างงี้มันก็หลงเป็นอวิชชาตลอดมันก็หลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารเอาสังขารแลเป็นตัวเราหลงปรุงแต่งก็คือเหมือนตัวเราก็ยังเหมือนเครื่องจกักรมันก็ยังทํางานไม่ยอมหยุดใช่ไหมครับหลงกาใช่หลงกายเป็น หมอมีความเครียดดึงเรื่องอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรที่ทํางานอยู่ไม่ยอมหยุดครับแต่เราอย่าพยายามไปหยุดนะพยายามหยุดก็ยิ่งหมุนต่อแต่มันคครับปล่อยให้เครื่องจักรมันหมุนไปจะไม่มีตัวเราปล่อยให้เครื่องจักรมันหมุนไปนะครับแต่ไม่มีตัวเราเดี๋ยวหมอจะเข้าใจปิดพยายามไปหยุดเครื่องจักรัปล่อยให้เครื่องจักรมันหมุนไป ใ ห, ให้เครื่องจักรมันหมุนไปไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะมีหรือไม่มีตัวเราได้ไหมครับคือแค่ว่าปล่อยเครื่องจักรมันหมุนอย่างเดียวคือเราก็แค่รู้ว่าเครื่องจักรมันหมุนให้มันหมุนไปเพราะธรรมชาติก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจมันไม่มีตัวตน <c oughs> ปล่อยทุกอย่างมันหมุนไปในใจแต่เนะืแต่ใจมไม่มีตัวตนไอตัวที่คอยมาสร้างแบบตัวที่คอยมาหลอกมาสร้างเรามาหลอกหลอนเราคือมา ดึงเรา่าเฮ้ยมันจะต้องอย่างนี้อย uh ่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งมันก็จะคอยที่จะเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งแต่ความปรงแต่งย่อมปรงแต่งอยู่ในความไม่ปรงแต่งกูญใจนั้นเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งถ้าถ้าปล่อยให้มันหมุนไปก็ก็จะได้หมดภาระในการที่จะไปทําอะไรเขา ใช่ธรรมชาติของธรรมชาติเหมือนเนี้ยถ้าดูติดพัดลมในห้องเนี้ยมีตั้งหลายตัวเนี้ยมันธรรมชาติไปปรุงแต่งมันทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยธรรมชาติในใจของท่านที่มันหมุนไปท่านยังปรุงแต่งอะไรอยู่มันเหมือนกับพัดลมในห้องเนี้ยที่มันเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งที่มันหมุนไปมันทําหน้าที่ของมันได้โดยสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกับเราเลยเพราะว่า เราเพียงแต่ว่านั่งอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆนี่ยแต่พัดลมมันมีหน้าที่บุญไปแต่เราก็นั่งกันอยู่เฉยๆเหมือนกัน เ, นรเปรียบเหมือนภายในใจก็มีหน้าที่ไม่พุงแต่งอยู่เฉยๆแต่ไม่มีตัวใจหรอกแต่อาการในใจก็เหมือนพัดลมที่มั น, มนทําหน้าที่ของมันไปไม่เกี่ยวกับใจที่ไม่พุงแต่งใจที่ไม่พุงแต่งก็เหมือนกับเปียบที่ น, นั่งเนี่ยนั่งฟั ง, งตาอยู่นิ่ง ๆ, ๆแล้วปล่อยพัดลมไป็นตัวปรจดฝ่ายมง้ง ฝ่ายปรุงแต่เนี่ยเขาทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ของเข้าไปไม่ได้เกี่ยวกันกับใจธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่ได้เกี่ยวกับใจที่ไม่ปรุงแตง่ใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่คุ้มล้านกันแล้วอะไรตัวที่มันพยายามที่จะมาทําให้ให้เราเข้าใจผิดก็คือตัวที่คอยจะมาพยายามจะไปหยุดหรือพยายามจะไปทําอะไรอันนั้นคืออวิชชาเหรอครับคุณใช่ถูกต้อง หรือว่าเป็นเพราะว่าเราอยากจะให้มันไม่มีอวิชชาเราก็เลยพยายามจะทํานว่นทานี้คือมันทําของมันถ้าเรารู้แค่ว่ามันทําของมันเองก็จะจบใช่ไหมครับคุณตาแต่ว่ามันถ้าเรารู้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมารถจะเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็เรื่องมันไม่เกี่ยวกับเรื่องใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่หลงไปเป็นผู้ปรุงแต่งเองมันก็ไม่เป็นอวิชชาท่านลองดูนี้ที่ในใจของท่านตอนนี้มันมีความคิดมีอะไรก็ปล่อยมันคิดอย่าที่มันคิด ความคิดทั้งหมดในใจของท่านตอนนี้ที่ท่านสงสัยพยายามประมวลผลปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติใส่พวงแต่งไม่มีใครจะมาทำอะไรกับมันแต่ก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่มีใครทำอะไรกับมันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครหลงตามมันไปแล้วไม่มีใครไปดับมันธรรมชาติไปในใจของท่านตอนนี้คิดเต็มไปหมดเลยแต่ก็เป็นธรรมชาตินะไม่เห็นว่าต้องน่าเกียดอะไรแต่ท่านจาหลงไปตามมันก็แล้วกันแล้วก็อย่าไปไปดับมันแค่นั้นเนี่ย รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ยึดอะไรเลยครับรู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ยึดอะไรดังนั้นพ้าในใจจะปรุงแต่งไงก็ได้ก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่มีใครยึดแล้วตัวที่ไปคว้ามานะครับตัวที่คอยไปคว้ามานั่นคืออวิชชาอาวิชชาเพราะธรรมชาติของใจมันคว้าอะไรไม่ได้เพรเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่เราหลงว่าใจมันสามารถไปคว้าได้ไปผัดได้ คือจริงๆมันแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมครัใช่ท่านจะเปรียบเนี่ยที่มีมีท่านเปรียบว่าธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเหมือนคันหรือมดลูกของผู้หญิงครับครับแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันแล้วคลอดออกไปแต่คันไม่มีหน้าที่ไปคว้าจับเด็กครับและเด็กไม่มีหน้าที่มาคว้าจับคันต่างคนต่างทําหน้าที่ไป เด็กมีหน้าที่มาเกิดลราข้อจากคันไปครับคนเป็นหน้าที่มีหน้าที่ที่ทาให้เด็กมาเกิดเป็นที่รองรับที่เด็กมาเกิดแเรวก็ข้อออกไปแต่คันไม่เป็นหน้าที่ไปจับเด็กไว้หรือไปทําลายเด็กแล้วก็เด็กไม่มีหน้าที่มาจับคันหรือทํำลายคันต่างคนต่างทําหน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์เด็กที่มาเกิดก็ทําหน้าที่ข้อต่อไปคันก็เป็นเพียงแค่ที่ให้เด็กได้มาเกิด คือสังขารได้มาเกิดแล้วก็ดับไปสังขารได้มาเกิดแล้วดับไปส่วนขานหรือใจเนะี่ยไม่มีหน้าที่ไปไปจับหรือไปดูดเอาสังขารไปจับสังขารคืเอเด็กแล้วก็ไม่มีหน้าที่ไปดับไปทําลาย อ, อสติก็คือทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันไปเป็นเราก็รู้เท่ารู้เท่าทันมัน ดูสัทพันธ์วิชาสติอที่ไหนความรู้ที่นั่นความรู้ที่ไหนสติที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกั น, นรเราจะรู้ความจริงอันนี้ได้ก็ต้องมีสติอยู่คร<ๆ>ับ<ๆ>พอมีสติแล้วหน้าที่ก็ไม่มีก็แพ้เพราะว่าหน้าที่มันอยู่ในการรู้ในธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วใ่แต่ที่มันยังมีปัญหาเพราะมันไม่ใช่สติจริงๆสิครับก็คือมันยังไม่รู้จริงๆมันก็เหมือนกับว่ามันรู้แต่มันไม่รู้รอบมันก็เลย ยังไปทั้งๆที่เข้าใจแต่มันไม่รู้รอบมันก็เลยยังทำผิดทำไม่ถูกหรือมันยังไม่ยังไม่ไม่แยกกันโดยเด็ดขาดคือมันยังผสมกันมันยังมันยังมีดึงมีเป็นมีคิดเนี่ยเพราะว่าทั้งๆที่มันรู้เนี่ยแต่มันรู้แบบมันไม่รู้ไม่รู้ชัดใช่ไหมครับหรือมันหรือว่าความรู้มันมันมันมันมันไม่มันไม่รอบพอที่จะ ที่จะเป็นอย่างที่หลวงตาพูดขาดโยนิโสมนัสิการไว้ในใจโดยแยบขายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายว่าใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยมันเป็นเหมือนคันหรือมดลูกของผู้หญิงเนี่ยแต่ตัวตนมันไม่มีตัวคันหรือมดลูกไม่มีมันมีแต่ความว่างเปล่าที่มีแต่ความรู้รู้อะไรล่ะรู้มีว่ามีเด็กมาเกิดในคันก็เปรียบเหมือนในสังขารทั้งหมดแต่ที่มาเกิดดับอยู่ในใจใจเปียบเหมือนคันหรือมดลูกผู้หญิงตัวในสังขารที่เกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเป็นเด็ก สังขารอะไรทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดที่กระเพื่อมที่ไหวตัวได้เป็นเด็กที่มาเกิดในคันเด็กที่มาเกิดในคันเนี่ยไม่ใช่คันหรือมดลูกที่เป็นใจใจหรือจิตเดิมแท้ดังนั้นใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยไม่อาจคิดได้ไม่อา จ, าดดอาจาปรุงแต่งได้เป็นที่รองรับความเกิดดับของสิ่งปรุงแต่งส่วนใจเนี่ยมันได้แต่รู้ได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันแต่มันเนี่ยคิดในึ่นองต่อปรุงแต่งไม่ได้ ให้เป็นให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดแล้วอยู่ๆเราก็หลงไปเป็นคิดอยู่ๆก็หลงไปเป็นคิดแล้วขาดโยนิโสมันนันติการอยู่ๆเป็นรู้เป็นใจดีๆแล้วก็เราก็หลงไปเป็นคิดแต่ไม่ใช่ว่าเรามายึดถือใจจะให้ไม่ปงแต่งแช่ไว้ก็ไม่ใช่ก็คือเพียงแต่ว่าอย่าหลงไปเป็นคนคิดแค่นั้นแหละความคิดมันก็เกิดเองแล้วก็ดับไปมันเองเราเพียงแต่ไม่หลงไปเป็นคนคิดไม่ยึดเอาผู้ที่คิดมาเป็นตัวเราไม่หลงเอา ผ um, ู้ที่คิดเอาเป็นตัวเราเพราะตัวเราไปเป็นผู้ที่ไม่คิดเปรียบเหมือนตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนตัวเราไปผู้ที่ไม่ไม่คิดได้แต่รู้อ่าแต่ตัวเราไม่ได้มีหรากอ้รู้ไม่มีตัวเราหรอกเปรียบเหมือนว่ามีไอ้ไอ้รู้เนี่ยเป็นเปรียบเปรียบเป็นตัวเราแต่มันไม่มีตัวเราเดะเพราะว่าเราพูดกันได้จะแต่ภาษาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัพนามไม่จ้าวาเป็นสัพนามวะเวลาท่านไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทําอะไรในที่รับหรือที่แจ้ง ถ้านไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในทางที่เป็นบาปอกุศลอะไรก็ตามในที่รับที่แจ้งท่านว่าใครเป็นคนมารู้ตัวเราก็ตัวตัวเราเองเนี่ยรู้เห็นไหมท่านพูดเองว่าตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเองตัวเราเป็นผู้รู้แอบคิดอะไรก็ตัวเราเป็นผู้รู้แอบพูดอะไรก็ตัวเราเป็นผู้รู้แอบกระทาอะไรก็ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเองไม่มีใครรู้เลยเราเนี่ยย่อมรู้ตัวเราเองเราเ่ยย่อมรู้ตัวเองพอถามที่ไรก็เราอะย่อมรู้ตัวเองเราก็เลยเป็นผู้รู้ตัวเรา แต่เอาข้จริงอ่ะเราขาดโยนิโสมนัสธิการมานิจัยที่แอบไขเรื่องนี้เราเอาไอ้ตัวที่ถูกรู้คือตัวที่คิดนึกตอบปรุงแต่งได้เป็นตัวเราแต่เวลาถามก็ใครเอารู้เราแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะลรก็เราสีบคนรู้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ตัวเราแต่เอาข้จริงอ่ะเอาตัวเราที่คิดพูดกระทำเย่งเย่งเยที่ลนค้นหาได้เอาเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปพูดไปคิดไปนึกไปตึกไปตอบไปที่ล่นไปค้นหาอยู่ตลอดเวลาอ้าวไหนบอกเวลาถามอะไรบอกว่า เป็นผู้ที่รู้ว่าตัวเรากําลังคิดดิ้นรนคนหาพยายามพยายามพยายามเราจะคิดดิ้นรนคนหาพยายามยังไงพยายามยังไงก็ตามในที่รับที่แจ้งไม่เคยรอดพ้นจากเราที่มารู้ตัวเราได้เลยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราทํำพฤติกรรมอะไรในจิตเราที่เป็นคนรู้ว่าเราเนี่ยกระทํำพฤติกรรมอะไรในจิตดังนั้นเราเนี่ยแท้จริงอ่ะคือผู้ที่มารู้ตัวเราแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยู่ๆก็เอาตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองอ้าวมันผิดตัวแล้วก็หลับด้านใช่ไหมล่ะ มันขาดโยนิโสมันนันติการแล้วเพอิดเพลเอาเอาเราไปนั่งคิดดิ้นรนคนหาพยายามพยายามเอ้าทําไมมาคิดได้วะเนี่ยอยู่ๆทําไมมานั่งคิดได้วะเนี่ยอ้าก็เป็นคนที่คิดไม่ไดไ้ได้แต่ว่ามันเป็นคนที่คิดอะไรไม่ได้เลยตัวตนก็ไม่มีสักอย่างเอา้าเลยอยู่ากลายเป็นมาเป็นตัวคิดเฉยเลยเนี่ยเรก็ด่ามันว่ามันบ่อยๆใช่ ด, ด, ด่าเลยด่ามันเลยที่ด่ามันว่ามันมบ่อยก็ไมโง่แบบนี้วะ อยู่ๆเรามันไม่มีตัวตนเนี่ยมีแต่ความรู้แล้วอยู่ๆทําไมเอาเรามานั่งคิดได้วะเรามันไม่มีตัวตนเลยมีแต่ความรู้คิดก็ไม่ได้กระทากิยาการก็ไม่ได้ตัวตนไม่มีมีแต่ความรู้มันเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนเป็นธาตุรู้หรือวิญญาณนาฏที่ไม่มีตัวตนอ้าแล้วอยู่ๆทําไมตัวเรามานั่งคิดวะเนี่ยอนั่งคิดนั่งดิ้นหลนนั่งค้นหานั่งพยายามทํานู่นทํานี่ทํานู่นทำนี่อ๋อ ทำไมหลงอีกแล้ววะเนี่ยเราด่ามันเข้าไปบ่อยเเดี๋ยวมันเกลดโอเคครับคมึงทำไมโง่แบบนี้วะไอไอเอาวิชาเนี่ยโกคือเอาวิชามึงโง่แบบนี้ว่ามันโง่มากิ่ชาแล้วมึงจะยังโง่อย่างนี้อีกมันด่ามันบ่อยๆไอโง่คือเอาวิชาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเป็นอย่างที่โลวงตายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าเป็นอีกละเดี๋ยวมันก็มาเป็นก็ถูกต้องเพราะอะไรก็เหมือนหมอเลี้ยงลูกหมาลูกแมวอ่ะไว้ในบ้านเลี้ยงมันใหม่ก็อย่างนั้นแหะ แต่ต้องคอยสอนมันนะเหมือนโยนี่ตัวมนติกนนารคอยสอนมันว่าที่ที่ขี้ที่เยี่ยวขอ ง, องเองเนี่ยอยู่นอกบ้านอย่ามาขี้เยี่วในบ้านเราพูดลอยลมเนี่ยมันเชื่อไหมไม่เชื่อล้างลูกหมาลูกแมวเนี่ยเราต้องจับได้ไล่ทันขนาดที่มัน่ะเข้าไปขี้ไปเยี่ยวในบ้านแล้วเราก็ดุมันตีมันว่ามันแล้วก็ค่อยจับมันเนี่ยมุดไอไออประตูเล็กๆที่มันเประตูบานทวิงอ่ะนี่เจ้าออกมปทางนี้ออกทางนี้ออกงี้ แล้วก็ไปเอาก้นมันเนี่ยไปจิ้มดินไว้นอกบ้านเจ้าเนี่ยที่ขี้ดีเย้เจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ น, นจะจำไหมจำไหมเราบอกมันสอนมันมบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจําได้ไหมจาได้ <S <S ไปช้ามันเราก็เลิกบอกสอนมันไปเราขาดอยู่นิโสมนาติการคอยบอกคอยสอนใจของตัวเราว่าเราเนี่ยไม่มีตัวตวนหรอกมันเป็นธาตุรู้ที่มีแต่ความว่างเปล่าตัวตวนไม่มีคิดไม่ได้มีกิริยาการใดๆไม่ได้ออนไปอยู่ มานั่งคิดนั่งดิ้นหลนค้นหาพยายามอย่างวุ่นพยายามนี้วิเคราะห์วิจารณ์วิจยัยใส่ตองเอาอเผยพระภิกษุภาคใหญ่อ้าว เ, เราตัวตวนไม่มีไม่มีตัวตวนมีแต่เป็นธาตุรู้เป็นความว่างเปล่ามีแต่ความรู้ตัวตวนไม่มีแสดงกิริยาการใดๆไม่ได้เอาทาไมมัมันนั่งคิดอยู่ได้เนี่ยทำไมาอย่างนี้วะหลงอีกแล้วโอ้จริงๆวะไอ้นี่หนึ่งหนึ่งอะไรนี่เขาด่าเลยบ่อยเขาเดี๋ยวมันก็เหมือนมันลูกหมาลูกแมวอ่ะมันก็ค่อยๆเข็ดเข็ดเข็ ตอนนี้ม the ันก็หลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงน้อยลงแล้วมนก็เออไม่เอาตัวเราไปเป็นเป็นตัวปุงแต่งอีกต่อไปแล้วเลยกลายเป็นตัวไม่ปุงแต่งเราเนี่ยมันได้ถึงว่าเราที่มีตัวตนเราเป็นตัวตนลักคือไอเราพูดเป็นสรรพนามกันว่าใครว่ามารู้ตัวเราก็คือก็เราสิเราารู้ตัวเราหรือตัวเราเนี่ยรู้ตัวเราเองไอตัวเราที่รู้ตัวเองมันไม่มีตัวเราแต่เราพูดสรรพนามกันว่าเออไอตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยก็คือตัวเรานี่แหละแต่เราพูดเป็นสรรพนามว่าไอที่มารู้ตัวเราคือตัวเราแต่จริงๆมันไม่มีตัวเราหรอ แต่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยที่มันคิดพูดก้กระทาได้เนี่ยเป็นตัวปุุงแต่งเป็นตัวขนันหน้าเป็นตัวตายเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายอย่าไปุ่งกับมันคือมันน่าจะมีแบบอะไรแรงๆแบบไม้หน้าสามตีพุ้ยที่มันไม่กลับมาเลยอะไรอย่างนี้น <laughs>